ท่านผู้ 31 ธันวาคม 2532 อีก นั่นก็คือว่าเมื่อตอนที่แล้วมาได้พูดถึงคณะร้อยเอกเจี๊ยบชื่อจริงๆอาตมาก็ไม่ทราบลืมจําได้แต่เรียกกันเจี๊ยบๆๆก็เลยเรียกเจี๊ยบไปแต่ไม่ใช่ลูกไก่จําได้แต่ กับรวม 7 ชุดชุด 2,600 บาทเป็น 18,200 บาทที่ขอโมทนาเป็นความ เอกรอบการแต่งตั้งใบกราตั้งก็ตาม ทำให้เกิดความชื่นใจกับพระที่ได้ รู้สึกว่ามีกําลัง <c oughs> และเมื่อไม่ได้คิดไว้ก่อนเกิดอาการเกิดขึ้นแบบนั้นก็เกิดมี สำหรับพระราชาชนที่รับแต่งตั้งก็มีความชื่นใจในหรือก็ขอตอบว่าถ้าเป็นโลกก็เป็นโลกไม่ช้ำถ้าเป็นธรรมก็เป็นธรรม อย่างนี้โลกไม่ช้ำนี้โลกไม่ช้ำโลกมีแต่ความปิติ ยศชาญคุณนางพระย่อมมีความหมายน้อยสําหรับการมองเห็นแต่ถ้าใช้กําลังวิปัสสนา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 ความทุกข์ใดๆที่มีอยู่ก็ไม่คลายยศก็ไม่สามารถจะคลายความทุกข์ได้ทุกข์ ก็ใครจะ ไว้ปกไกกาตั้งท่านนี่มองแล้วดูเป็นโลกีวิสัยถ้าบ่องไปทีหนึ่งใน แล้วอยากให้ก้มทิศะให้เราเราก็ก้มก่อนเค้าก็ก้มให้ นี่กันวางๆแล้วก็วันนี้ก็มีคณะกรรมล <c oughs> เอ่อ 5,000 บาทประกาศบานแล้วแล้วก็เด็ก ทำบุญให้งาให้ปีใหม่ให้ให้เป็นของขวัญปีใหม่ 10 บาทความจริงบรรดาท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังความรู้สึกของอาตมาผู้พูดมีความรู้สึกว่าปีใหม่ถ้าได้ส่ง <c oughs> 2 คสให้กันเป็นการ ไปอ่านชอบใจฉบับไหนก็ซื้อฉบับนั้นไปส่งกันค่าบัตรข้อคสกสก็เสียเสียสตางค์ค่าซองเสียสตางค์ค่าสแตมป์ก็เสียสตางค์ <c oughs> เต่าพันพัน ต่อสิ่งที่ชอบใจเหนือสิ่งใดสิ่งในใจตลอดเวลานั่นคือเงินสมมุติว่าถ้าเราจะซื้อบัตรบาทหรือ หรือว่าสรรส่งความสุขปีใหม่มาให้คุณอย่างนี้ท่านมีความเห็นไหมว่าความสุขจาก <c oughs> ก็เป็นว่าต่อนี้ไปเรื่องของคนแก่ก็ 6 แล้วก็อย่าไปวิมาน แต่ความจริงระหว่างที่พูดนี่หรือไม่กี่นาทีก็ถึงปีใหม่ครับแต่ก็ 6 ตั้ง เดิมทีเดียวไปไหนก็ไปเร็วจนไรก็อยากจะดูข้าง เกินไปจากนั้นก็ไม่เคยพบเขาพระสุเมรอยู่ในเมืองมนุษย์ een roepen naam ten geval kwade thewada. Nee, de thewada is goed, de paas is goed, de is ตาทิพย์ความเป็นทิพย์ของตาเป็นนามธรรมไม่ใช่ลูกตา คนที่บอกว่าสวรรค์ไม่มีพรหมโลก ที่เราห่มผ้ากาสาวะภัตเรามีข้าวกินได้เพราะบารมีพระพุทธเจ้าท่านถ้าไม่มีบารมีก็ไม่มีใครก็ให้เอาผ้ามาห่มห่มเพราะไม่มีใครก็ให้ ในเมื่อทุกอย่างสําเร็จมาจากพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิพพานมีเนี่ยทําไมจึงว่าเฝือก็มีหลายคนมาถามว่านิพพานมีสภาพ ไม่สามารถตัดสังโยชน์ 3 ได้ไม่สามารถตัดสังโยชน์ 5 และตัดสังโยชน์ 10 ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถตัดสังโยชน์ 3 ได้ก็ไม่เป็นไรแต่พยายามตั้งใจรักษาศีลด้วยความตั้งใจจริงไม่ละเมิดไปศีลระงับติวรชั่ว เพียงเท่านี้ท่านทั้งและนิพพานเพราะกําลังใจของท่านมีความสะอาดพอที่จะเห็นนิพพานรับปรีดาภัยได้ถึงแม้จะเห็นอยู่ไกลแสนไกลก็ยังยังเข้าใจว่านี่คือนิพพานแต่ถ้าสร้างกําลังใจของท่านให้ ยิ่ง 5 อย่างจะมีความมั่น 10 ได้ไม่ เพราะท่านรู้จริงเห็นจริงตามความเป็น <c oughs> เอาเธอคุยกันจะหนักสมองเกินไปก็ขอเล่าเรื่องจนไหลต่อไปจนไหลก็ถาม <c oughs> จุไลก็ตอบว่านี่ลุงก็ตอบว่าในเมื่อลุงเห็นภาวะสุเมนนี่ต่าง มีต้นไม้ก็เป็นต้นไม้แก้วมีๆล้อมรอบมากท่านลุงก็บอกว่า Tha Sarot Julei kreeg dat wij we zijn niet weggegaan. Mijn heer, mijn Bakwa mijn heer, mijn heer, mijn heer, mijn heer, mijn heer, mijn heer, mijn heer, mijn heer, mijn heer, mijn heer, mijn mijn heer, mijn heer, one heer, mijn heer, mijn heer, mijn heer, เวลาเห็นลุงเป็นยักษ์หรือเปล่าจุลัยก็พบว่ายักษ์ของลุงมันน่าเกลียด <c oughs> ลุงก็ยิ้มบอกว่าหลานรักภาพนั้นเป็นเป็นภาพหลอกหลานเคยได้ลุงก็เลยท่านท้าวเวสวันนี่ <c oughs> และยักษ์อย่างนั้นหลานไม่ต้องกลัวถ้าเข้าไปใกล้ๆจับเเขี้ยวดึงเเขี้ยวมาทิ้งเเขี้ยวหลุดไม่ เลยก็ถามว่าคุณลุงเจ้าค้าท่านทางอะไร และก็ทางอันนี้ด้านด้านหลังเข้ามาเป็นด้านทิศตะวันตกราบเรียบและด้านขวาชันมาก <c oughs> Kondi kon die meer kracht in de nijt dan deel tam nijt en kon die meer kracht baar maken deel tam nijt met kan. Kon die meer kracht baar maken deel de wintek teken deel ree maar deel taar vier plekken. Hij is meer leeuw zijn meer kwade deel teel naar. Taa deel teel naar. Taa deel teel naar. Taa deel แสงไฟจับท้องฟ้าสว่างไสวมากแล้วก็ถ้าว่าถ้าตัดได้ขนาดถ้าเดิน ไม่ใช่ไปเองใช่ไปเองแต่ถ้าดิมาตาลังพังนั้นไม่ไม่เลี้ยวเดินตรงลงนรกไปเลยจุลัยก็ถามว่าคนที่ไปสํานักพระญาติโยมต้องลงนรกทุกคนมั้ยท่านลง เพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเลี้ยงสุนัขประจําวันได้เห็นสุนัขบางครั้งบางคราวมันหิวโหยนํา ไอ้หลวงนึกไปสวรรค์ก่อนธรรมก็ตามในเมื่อขั้นส่งไปรับผลของความดีก่อนถ้าไม่จะ และคนที่รับผลของความดีก่อนที่ก็ไม่แน่นอนนักว่าจะกลับลงนรกตามกฎท่านเหล่านี้ก็ไม่ต้องรับผลของบาปต่อไปอยู่ เส้นทางซ้ายเป็นทางชันน้อยๆ หนูจะไปมั้ยล่ะจุไรบอกว่าถ้าไปตรงนั้นก็ซ้ํากันดีหนูไปมาแล้วงั้นค่อยๆเดินไปบอกว่าท่านหนูจะเรียกท่านเวสสุวรรณว่าคุณดีมั้ยหรือว่าจะหยาบเกินไปว่าท่านเป็นผู้ใหญ่มาก ชาตินี้หนูเป็นเด็กไม่เคยเป็นญาติกับท่านแต่ ถ้าถึง 5 ท่านก็ต่างทั้ง 5 ท่านคือน้อยทะอิธกะ 22 ทะวิรุณ 6 ต่างคนต่างก็ก็เดินชมเรื่อยไปวิมานรอบๆเฝ้าสมเณมีมากแต่ว่าจะไม่พาชมแล้วมัน <c oughs> เมืองทวิโรก็ใหญ่โตกว่าโฮลันด์เหมือนกันวิมานนับพันเป็นนับหมื่นความจริงแต่ จุลัยจึงถามว่าวิมานด้านหน้าเป็นวิมานของใครเจ้า โลกนั้นที่เลยไปก็เป็นใบไม้ของเทวดาอันดับต่ำลงไปเค้าเรียกว่าเป็นขนาด วิมานก็ท่านท้าวเวสวัณย์เข้าได้ทั้ง 4 ด้านเหมือนวิมานของโหลจะเข้าด้านไหนก็ได้ทั้งหมดขยับเคลื่อนตัวไปคราวนี้ไม่ โฉดสวยสดงานเคลี่ยวยาวหลายวาคันงงแล้วงอไปงอมาแล้วโนดก็โนยโนยดิบตุบดิบตุบดิบไปกระเพือมากระเพือไม่ตาก็แดงเป็นไฟหูหูช้างจุลัยก็ถามคุณลุงวิรณบอกว่าคุณลุงเจ้านั่นใครคุณ แต่ก็ท้าวเวสวัณอาราธนา